บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนุสติข้อที่สในอนุสติทั้ง1ิประการนั้นคือศีลานุสติได้แก่การตั้งสติตามระลึกถึงศีลของตนการระลึกถึงศีลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครรักษาศีลอะไร จะเป็นศีลห้าศีล8ศีลโสถศีลสิ 5, ส 8, สสส 10, หรือศีล2องเป็นต้นก็ให้นึกย้อนระลึกถึงศีลเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลเป็นต้นมาจนถึงขณะที่เจริญกรรมฐานข้อนี้สําหรับภิกษุสามเณรก็ระลึก ต, ต, ตั้งแต่ต้นวันบวดมาจนถึงขณะเจริญกรรมฐานข้อนี้ ในการพิจารณานั้นถึงดูตัวอย่างการพิจารณาสิกขาบททั้งห้าประการที่ได้สมาทานไปแล้วในสิกขาบททั้งห้าประการนั้นโดยนัยยะที่ทราบกันก็เพียงแต่ว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุรามีไรแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้ว ศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตนั้นจะต้องมีการงดเว้นทั้งการฆ่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายสัตว์การทรมานสัตว์การทุรกรรมสัตว์การพยจนสัตว์หรือทำสัตว์ให้เดือดร้อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจนถึงกับจิตคิดแช่งจะให้สัตว์เหล่านั้นประสบความพิบัติไป ศีลข้ออาทินาที่แปลว่าถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วยังหมายครอบกลุ่มถึงการถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไม่ว่าจะด้วยการลักการปล้นการจี้การปลอมแปลงการปลอมปน การใช้เครื่องช่างตวงวัดโกงเป็นต้นตลอดถึงการมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับโจรจนถึงกับเพ่งเลงโลภจากได้ในทรพัพสมบัติของของบุคคลอื่นในส่วนกามเมสุมิชชาจารย์ก็สอนให้เว้นบุคคลที่ควรเว้น20สประเภทด้วยกันมีหญิงอันมารดาวิดารักษา หญิงอิดารักษามันดารักษาพี่ชายรักษาพี่สาวรักษาเป็นต้นฝ่ายผู้ชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจนถึงกับมีจิตสึกนึกไปในทางที่จะละเมิดศีลข้อนี้ข้อมุสาวาดหมายถึงการงดเว้นจากการพูดคำท็จคือไม่จริงไม่ตรงตามที่ตนได้เห็นมาด้วยตา ได้ยินมาด้วยหูได้ทราบมาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายและได้รู้มาด้วยใจจะไม่มีการเสริมความคือขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จะไม่มีการอําความคือทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปตามนั้นและในขณะเดียวกันยังเน้นไปถึงการเว้น จากคำพูดส่อเสียดลักษณะที่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกกันหรือคนที่แตกแยกกันแล้วก็ให้แตกแยกกันยิ่งขึ้ น, นต้นงดเว้นจากคำพูดคำหยาบคายร้ายกาัดด้วยจิตมุ่งหมายที่จะให้เกิดความพินาศความเจ็บใจแก่บุคคลผู้อื่นและงดเว้นจากการพูดเรื่องเพอเจอร์เดลไหลารายสาระ หันมาพูดคำสัตว์คำจริงคำสมานสามาคัคคีคำไพเราะอ่อนหวานและคำมีประโยชน์ในด้านสุราเมรัยนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้หมายถึงสุราเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งมืนเมาเหล่าใดก็ตามที่มีความเข้มข้นสูงระดับเมรัยขึ้นไปก็ถือว่า เป็นการผิดศีลข้อที่หทั้งหมดดังนั้นพวกฟินพวกเฮโรอีนพวกมอร์ฟีนถึงไม่ได้แสดงไว้ในศีลข้อที่หแต่ก็มีความเข้มข้นมีภัายรุนแรงกว่าม่ไรจึงถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อนี้เหมือนกันในชั้นการพินิจพิจารณาก็ตรวจสอบองค์ของศีลแต่ละข้อ ว่าในเมื่อเราไม่ละเมิดศีลทั้งห้าข้อนั้นองค์ของศีลแต่ละข้อมีความบกพร่องไปอย่างไรหรือไม่เช่นปาน า, าติบัติประกอบด้วยองค์สองค์หคือสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสตั้งจิตคิดจะฆ่าสทําความพยายามที่จะฆ่า5สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น ถ้าครบองทั้งห้าประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นปานาติบาตเต็มตัวแต่ถ้าหากว่าองค์บางข้อบกพร่องไปศีลก็ยังชื่อว่าไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นเองอาทินาทานก็พึงพิจารณาในองค์ประกอบว่าทรัพย์นั้นเจ้าของก็หวงแหนเรารู้ว่าทรัพย์นั้นเจ้าของก็หวงแหนมีเทยจิตคิดจะรักและพยายามที่จะัก ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นถ้ า, าว่าครบองค์ทั้งห้านี้ศีลข้อที่สี่ก็ชื่อว่าขาดแต่ถ้าไม่ครบองค์ศีลก็เป็นการด่างเป็นทะลุเป็นพร้อยไปในกามเมศุมเมชาจารย์ก็พึงพิจารณาถึงองค์เหล่านั้นเพราวัตถุอันไม่ควรก้าวล่วงจิต ค, คิดจะก้าวล่วงแล้วก็ก้าวล่วงวัตถุเหล่านั้น เื่อว่าเป็นการละเมิดศีลข้อที่สาในศีลข้อที่สี่ก็พึงดูตัวองค์ประกอบของศีลว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนแล้วกล่าวถ้อยคำนั้นออกไปคนฟังรู้เรื่องถ้าครบองค์ห้าประการ น, นี้ศีลข้อที่สก็ขาดแต่ถ้าองค์บกพร่องไปศีลก็บกพร่องตาม ในข้อที่ห้านั้นเครื่องดองของเมามีเมรัยเป็นต้นเรารู้ว่าเป็นเครื่องดองของเมาแล้วจิตคิดจะดื่มและดื่มสิ่งนั้นลงไปให้ผ่านลําคอก็ชื่อว่าเป็นการละเมิดศีลข้อนี้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วการละเมิดศีลที่จริงก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายถ้าหากว่าผู้รักษาศีลมีกุศลและเจตนาอยู่ ย่อมสามารถควบคุมประคับประคองศีลที่ตนสมาธานไปแล้วให้ดำรงอยู่ตามการที่ตนกำหนดไว้ภายในใจหรืออธิษฐานใจไว้ดังนั้นเมื่อศึกษาถึงองค์ของศีลแต่ละสิกขาบทเห็นว่าตนไม่ขาดศีลข้อนั้นแล้วแต่ละข้อแล้วก็มาพิจารณาถึงองค์ประกอบของศีล ชนิดที่ทรงเรียกว่าเป็นอริยกันเตศีลคือเป็นศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจยกย่องสูงสุดได้แก่เป็นศีลที่ไม่ขาดคือหมายความว่าครบองค์ดังกล่าวนั้นในแต่ละข้อศีลที่ไม่ทะลุคือองค์เหล่านั้นไม่ครบเช่นศีลปาณาข้อที่หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต ตั้งจิตคิดจะฆ่ า, าทำความพยายามที่จะฆ่ า, าแต่สัตว์ไม่ตายศีลก็ไม่ถึงกรขาดแต่ถือว่าศีลนั้นทะลุปไปรเว่าศีลด่างไปเช่นตั้งจิตคิดจะฆ่ า, าแต่ก็ไม่ถึงกระลงไม้ถูกมืออะไรอาจจะเงื้อมือลงไปแล้วก็ตีพลาดตีผิดองค์ประกอบของศีลก็ไม่สมบูรณ์แต่ศีลชื่อว่าทะลุปไป ในลักษณะของศีลที่ด่างนั้นเึืเห็นตัวอย่างเช่นเราต้องการจะตบอยู่เงื้อมือขึ้นแล้วยั้งใจไปได้ไม่ตกองค์ประกอบก็มีเพียงสามอย่างสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าแต่ก็ไม่มีความพยายามและสัตว์ก็ไม่ตายแต่ท่านก็ถือว่าศีลนั้นพร้อยไปการที่ใช้คําว่าทะลุ ด, ด่างและพร้อยนั้นท่านเปรียบเทียบเหมือนกับภาพผืนหนึ่ง ถ้ามีตอนชายขาดไปราคาผ้านั้นก็ตกตา่าหรือมีจุดดำด่างอยู่ในบางแข่งราคาผ้านั้นก็ตกต่ำหรือทะลุไปหน่อยหนึ่งผ้านั้นก็ตกต่ำเหมือนกันส่วนขาดนั้นแน่นอนนึกเกินว่ามันก็หมดค่าหมดราคาไปเลยสินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและพิจารณาในตอนต่อไปว่าสินที่เราได้รักษาสมาทานไปแล้วนั้น เป็นการรักษาศีลสมาทานศีลที่วินยูชนพิจารณาแล้วยกย่องสรรเสริญหรือไม่การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าในชั้นศีลชั้นสมาธิหรือชั้นปัญญาก็ตามท่านไม่ใส่ใจถึงถ้อยคําของคนพานเราจะยกย่องหรือสรรเสริญหรือจะด่าว่าอย่างไรแต่จะใส่ใจถึงถ้อยคําของวินยูชนคือผู้รู้ดีผู้รู้พิเศษผู้รู้แจ่มแจ้ง เพราะท่านเหล่านี้จะยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทาที่ควรยกย่องจะตาหนิบุคคลที่ควรตาหนิเมื่อเขามีการกระทา ท, ที่ควรตาหนิไม่อาศัยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวเข้าไปประกอบแต่จะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปที่การกระทาของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นถ้อยคำของบินยูชนจึงเป็นถ้อยคำที่ควรแก่การรับฟังไม่ว่าในด้านตาหนิ หรือในด้านยกย่องสนเสริจสิ่งที่บุคคลสมาทานไปจะก่อให้เป็นปัจจัยแห่งศีลานุสตินั้นจะต้องเป็นการรักษาสมาทานในรูปที่บินยูชนพิจารณาแล้วยกย่องสันเสร็จและจะต้องเป็นศีลที่รักษาด้วยความเป็นไทยคืออิสระแก่ตัวเองไม่ได้รักษาเพราะต้องการจะสะดเดาะเคราะ หรือถูกบังคับหรือถูกข่มขู่ให้ทํำจากนั้นอย่างนี้แต่เป็นการรักษาด้วยกุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นพิจารณาเห็นว่าศีนี้ดีแล้วก็ลงมือรักษาสมาทานศีนลงไปจะต้องไม่เป็นศีนซึ่งรักษาด้วยอํานาจตันหามานะอเกี่ยวความเป็นผู้มีศีนของตนหรือเอาการรักษาศีล เป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะรักษาเพื่อเกิดในสวรรค์รักษาเพื่อร่ำรวยรักษาเพื่อได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงเป็นต้นและไม่เกิดมานะคือความเทียบเคียงตนเองกับบุคคลอื่นหรือการดูหมินตนเองดูหมินบุคคลอื่นว่ามีศีลต่ำกว่าตนเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าศีลที่รักษาในลักษณะเช่นนั้นในชั้นของศีลธรรมดาก็เป็นศีล แต่ถ้าชั้นที่เป็นอริยะกาันตศดสินแล้วยังมีความบกพร่องเพราะจิตใจของผู้รักษาไม่มีความสงบยังกระทําไปด้วยอํานาจของตันหามานะทิตธิซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงจิตใจของบุคคลอย่างสําคัญและถ้าหากว่าเป็นการรักษาศีลด้วยอํานาจของตันหาอยากได้ลาบได้ยศหรือใคนยกย่องสนเสริญ เมื่อไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่มีคนยกย่องสนรเสริญก็จะเลิกละในการรักษาศีลแต่ถ้ารักษาด้วยความสำนึกว่าศีล น, นี้เป็นความดีและรักษาก็จะไม่ใส่ใจถึงปัจจัยภายนอกแต่จะใส่ใจถึงผลที่เกิดขึ้นแก่การทางกายทางวาจาทางใจของตนซึ่งได้จากการรักษาศีลว่ามีผลก่อให้เกิดเป็นความสงบทางกายทางวาจาและทางจิตใจอย่างไรบ้าง และจะต้องเป็นศีลที่โน้มน้อมไปเพื่อสมาธิคือเป็นฐานรองรับสมาธิที่จะเกิดขึ้นจากการบาเพ็ญสมถกรรมาฐานศีลซึ่งมีลักษณะดังกล่าวแล้วทรงแสดงว่าเป็นอริยะกันตรศีลคือเป็นศีลที่พระเรริเจ้ายกย่องส่งสผู้จเจริญศีลานุสติ จึงไม่ได้ทำจิตสงบอยู่ในอารมณ์แบบอนาปานาสติกรมฐานแต่เป็นการตั้งสติระลึกถึงศีลที่ตนสมาทานไปและรักษาอยู่ในขณะนั้นๆพิจารณาโดยคุณลักษณะของศีลโดยองค์ของศีลโดยความเป็นศีลที่พระเรียเจ้ายกย่องสรงเสริญตามคุณลักษณะที่กล่าวแล้วในตอนต้น เมื่อเห็นว่าศีลของตนมีความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีปัญหาที่จะพึงรังเกียจใจจิตใจของบุคคลนั้นก็จะบังเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาปรารบถึงตนเองเป็นต้นว่าการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ได้โดยยากเราก็ได้แล้ว การฟังธทมการปฏิบัติธรรมในศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั่วไปทำได้ยากเราก็ได้ทาแล้วได้ฟังแล้วได้ปฏิบัติแล้วการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้เป็นเรื่องที่สัตว์ทั้งหลายได้โดยยากและเราก็ได้แล้วการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสเป็นยุคเป็นสมัยที่มีได้โดยยากเราก็ได้เกิดในยุคในสมัยที่ศาสนาของพระองค์ดารงอยู่ความดำริต่อไปก็จะเห็นว่าเป็นลาบของเรายิ่งนักการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ของเราไม่เป็นมันการได้พบพระพุทธศาสนาของเราไม่เป็นมันการทาการปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนของเราไม่ไร้ประโยชน์ การฟังธรรมการศึกษาธรรมของเราอำนวยประโยชน์ให้แก่เราแล้วในปัจนีบต่อแต่นั้นปีติก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมองเห็นว่าศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นการรักษาศีลที่บิอยู่ชนยกย่องสรรเสริการรักษาศีลของเราเป็นการรักษาโดยความเป็นไทยอิสระต่อปัจจัยภายนอก และเป็นการรักษาด้วยความสำนึกอันดีงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองและการรักษาศีลของเรามีความหมดจดจากตันหามานะทิฏฐิจิตใจของบุคคลก็จะเพิ่มปีติปราโมชขึ้นมาและปีตินั้นจะดารงอยู่ระยะหนึ่งจิตก็จะย้อนกลับเข้าไปดูองค์ศีลอีกครั้งหนึ่งหมุนไปหมุนมาแต่ละครั้ง ปีติก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็จะกลายเป็นความสงบทั้งทางกายทั้งทางวัจาและทางจิตใจใจของบุคคลก็จะน้อมเข้าไปหาสมาธิคือความสงบตามขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติได้ศึกษามาในแต่ละหัวข้อของสมถกรรมฐาน ประการสำคัญที่สุดในศีลานุสตินั้นคือบุคคลจะมองเห็นตนเป็นผู้ปลอดภัยในภัยใหญ่สี่ประการด้วยกันประการแรกคือปลอดจากไภัยได้แก่ตนเองติเจียนตนเองได้ตามปกติแล้วผู้ที่ละเมิดในศีลซึ่งตนได้รักษาสมาทานไป และแม้แต่คนที่มีมโนธรรมอยู่บ้างภายในจิตใจเมื่อกระทำการใดก็ตามอันเป็นการผิดศีลซึ่งพระโลกกนาาทรงบัญญัติไปหลังจากสติสัมปชัญญะคืนมาแล้วก็จะมีแต่ความสำนึกเสียใจที่ท่นานใช้คำว่าวิปฏิสารใจคือเดือดร้อนใจจะนึกตำหนิตนเองอยู่ภายในใจตนว่าไม่สมควรกระทำอย่างนั้นเลยเป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์จึงไม่ต้องประสบภัยในการติเตียนตนเองด้วยตนเองได้แต่ว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความละเอียดมีความประนีตขึน้นพิจารณาเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยในการละมืดศีลตั้งใจจะศึกษาตั้งใจสมาทานตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ศีลของตนนั้นประนีตยิ่งขึ้นไป เพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่าศีลห้านั้นถือว่าเป็นแม่บทของศีลทั้งหลายศีลห้าจึงเป็นฐานของศีลทั้งปวงแม้แต่ศีลร้อยี่สิบเจ็ดก็อาศัยศีลห้าเป็นฐานภิกษุภิกษุณีจะต้องรักษาศีลห้าเป็นฐานทั้งหมดเลยแลวถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่า ศีนที่ทรงบัญญัติออกไปโดยวิจิตพิสดานนั้นแท้จริงแล้วเป็นการกระจายเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาของบุคคลเหล่านั้นให้ดำรงชีวิตอยู่ในฐานะที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นของตนเท่านั้นเองผู้ที่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ จึงสามารถที่จะทำให้ศีลของตนประณีตได้ขึ้นไปเป็นชั้นๆและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรักษาศีลที่มีชื่ออย่างอื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามที่ท่านกล่าวไว้เป็นชุดๆและภัยประการที่สองก็จะสงบระงับไปได้แก่ภัยที่เกิดขึ้นจากการถูกตำหนิติเตียนแห่งวินยูชนทั้งหลาย เพราะอะไรเพราะว่าวินยูชนได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วเห็นการประพฤติปฏิบัติของตนวพาถูกตรงตามศีลที่พระโลกกนาถทรงบัญญัติไว้ก็จะให้การยกย่องสรรเสริญการยอมรับนับถือของวินยูชนเป็นเหมือนประกาศสนยบัตที่ยอมรับปิธยฐานะของบุคคลทั้งหลาย ทำให้เกิดชันทะอุตสาหะเกิดความปีติปราโมทที่จะรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและเป็นการปิดกั้นภัยประการที่สามคือภัยที่เกิดจากอาชญาของบ้านเมืองข้อนี้เพิ่งเห็นได้ว่าอาชญาการรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชาติปัานเมืองและในโลกนั้น อันที่จริงแล้วก็ไม่อื่นไปจากการผิดในศีลทั้งห้าประการอาชญากรรมที่สร้างความอกสันขวัญแขวให้เกิดขึ้นภายในสังคมก็คืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับร่างกายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการโกหกตลบตะแลงยุให้รำตามให้รั่วบ่อนทําลายในลักษณะต่างๆ่อาชญากรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งศีลห้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ได้ครอบคลุมเนื้อหาของอัจฉรกรรมเหล่านั้นไว้ทั้งหมดดังนั้นใครก็ตามที่สามารถรักษาศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์หมดจดได้ก็ชื่อว่าเป็นการปิดกั้นภัยอันเกิดขึ้นจากอัจจากของบ้านเมืองไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตาม ภัยเหล่านั้นย่อมไม่สามารถทำอะไรแก่เขาได้ภัยประการที่สี่คือภัยจากการอุบัติบังเกิดในอบายภูมิซึ่งโทษของความละเมิดสีนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้ในที่ใดก็ตามในข้อสุดท้ายจะทรงใช้คำว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงทุกขติ วินิบตัตนรกอสุรกายเป็นการอุบัติบังเกิดหลังจากตายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าคนละเมิดศีลจะเห็นว่าตกนรกแม้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะความวิปฏิสารใจเดือดร้อนใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมีความหวาดระแวงกลัวการโจททวงจากบุคคลอื่นเป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาเห็นศีลของตนบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นอันมั่นใจได้ว่าตนได้ปิดประตูแข่งจตุรบายทั้งสีประการไว้ได้ภายทั้งสี่ประการนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามสมควรแก่ฐานะของตนท่านได้รับรองยืนยันเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้น แต่ท่านรับรองไว้ว่าจาบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นการยืนยันได้ว่าบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์จะไม่ประสบกับภัยทั้งสี่ประการดังกล่าวแล้วศิลานุสติจึงกลายเป็นกรรมฐานที่ก่อให้เกิดปีติปราโมทย์สมาธิแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและไม่เป็นการตรวจสอบจากอารมณ์ภายนอก ใชเป็นการตรวจสอบอาการทางกายทางวาจาและเจตจานงของตนเองเป็นที่ตั้งในการพิจารณานั้นบุคคลจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวความข้าวข้างตัวออกไปพยายามมองให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษให้ได้พยายามมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณให้ได้ซึ่งถ้าหากว่ายังมีความลำเอียงต่อตนเองข้าวข้างตัวเอง ตั้งเงื่อนไขข้ออ้างสมัครตนเองแล้วศีลานุสติจะไม่ดําเนินเข้าไปสู่ปีติและปราโมทได้เพราะความเข้าข้างตัวเองนั้นจะกลายเป็นสนิมใจที่คอยขัดขวางเอาไว้ก่อให้เกิดเป็นความลังเลความไม่แน่ใจความวิปฏิสารใจเลยศีลไม่อาจจะกลายเป็นฐานแห่งสมาธิในชั้นนั้นๆได้ การที่จะเกิดผลในลักษณะนี้ก็จำเป็นจะต้องยอมรับว่าข้อที่เราพุทธเจ้าทรงมัญญัตไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแม้ว่าใครก็ตามเมื่อปฏิบัติผิดก็ชื่อว่าปฏิบัติผิดเราเองถ้าผิดก็ชื่อว่าเราผิดจะไปยักย้ายถ่ายเทผ่อนปลนให้แก่ตัวเองไม่ได้ถ้าเมื่อ บุคคลทำได้อย่างนี้สามารถที่จะพิจารณาตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้ววินิจฉัยตัดสินตนด้วยตนแล้วจะสามารถชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์หมดจดเป็นตัวอนุสติเป็นตัวศีลานุสติและเป็นที่ตั้งแข่งศีลานุสติบีติราโมท สมาธิโดยลําดับได้ดังนั้นในการสมาทานศีลแต่ละครั้งจึงมีข้อลงท้ายในการสมาทานศีลว่าบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ดวกก้วยภพกสมบัติได้ก็เพราะศีลถึงความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ก็เพ ร, ะราะศีลตัดสมาสีลังวิโส ท, ทีเยพระเอกนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายพึงชำระจีนของตนให้หมดจดดังนี้ศีลานุสติจึงเป็นการบ่งชี้ผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลอันได้รักษาอันได้สมาทานรักษาดีแล้วว่าอำนวยประโยชน์ให้แก่ตนทั้งในปัจจุบันทั้งในภายภาคหน้าและเป็นฐานที่จะนำพาบุคคลผู้นั้นให้ก้าวไปสู่ขั้นแห่งสมาธิ และชาญโดยลำดับตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปขาให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป